อาหารมื้อหนึ่งนะเราก็กินไม่ค่อยมากนะถ้าดูๆไปแล้วนี่มันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้ารวมกันทุกวันทุกวันตลอดทั้งชีวิตนี่มันมีจํานวนมหาศาลนะมีคนประมาณว่าคนเราเนี่ยกินอาหารเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยถ้าคิดเป็นน้าหนักก็ประมาณหกสิบตันนะ หกสิบตันก็หกหมื่นกิโลหรือเปรียบเหมือนกับน้ำหนักเท่ากับรถเล็กคันเล็กๆเนี่ยหกสิบคันตเราทั้งชีวิตนะหกหมื่นตันนะนที่เรากินเข้าไปเนี่ยใส่ท้องเราใส่ปากของเราเนี่ยถ้าตัดเอาสิ่งที่เป็นของเสียที่เราขับถ่ายออกไปเนี่ย ในรูปอุจรภปัสวะเหงื่อสมมุติว่า 10% นะมันก็จะเหลือ 5,000 50, 0นะื0นสกิโลที่อยู่ในร่างกายของเราเทั้งหมดเนี่ยเนะี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ถูกใช้สร้างเนื้อเยือ่อนะกลายเป็นเลือด กลายเป็นกล้ามเนื้อกลายเป็นกระดูกกลายเป็นอวัยวะต่างๆของเรานะรวมทั้งเซลล์รวมทั้งเม็ดเลือดูนะดง่ายคือว่าไอ0้ากิโลนะมันก็ถูกสร้างมาเป็นร่างกายของเราสมมติว่าคนเราเนี่ยนะหนักประมาณ54กิโล 5 0้ห้าหกิโลที่มันสร้างเป็นร่างกายของเราเนี่ยมันก็เทียบได้กับนะสร้างร่างกายของเราเนี่ยหนัก5 0าิีกิโลเนี่ยประมาณพันครั้งหรือว่าพันร่างกายนะตลอดทั้งชีวิตนะอาหารที่เรากินเนี่ยมันจะสร้างเป็นตัวเราเนี่ยเป็นร่างกายของเราเนี่ย 1,000 ครั้งและสมมติว่าคนเรามีอายุ80ดปีใช่ไหมร่างกายที่สร้างมา 1,000 ครั้งเนี่ยถ้าเอา8ปหารเนี่ยก็แปลว่ามีร่างกายที่สร้างใหม่เนี่ยของเราเนี่ยประมาณ12ครั้งต่อปีนะเรามีร่างกายใหม่เนี่ยที่อาหารถูกใช้เพื่อสร้าง 12ครั้งนะใน1ปีอันนี้แบบพูดแบบหยาบๆนะเพราะจริงๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มกินอาหารครั้งแรกเนี่ยเราก็อาจอาจะอยุอประมาณสักไม่กี่เดือนตอนนั้นก็หนักแค่ 2- องกิโลแต่ว่าเราสมมุติเลยนะว่าเนี่ยเอาเริ่มต้นที่ว่าเราหนัก54กิโลแล้วอาหารที่เรากินเนี่ยนะห้าห0ืพกิโลเนี่ย มันก็เอาไปใช้สร้างร่างกายของเราเนี่ย0ครั้งหรือ 1,000 ร่าง80ปีใน8ปิปีก็แปลว่าร่างกายเราถูกสร้างใหม่เนี่ยประมาณ12ครั้งต่อปีหรือว่าสร้างใหม่เนี่ยเดือนละครั้งนั่นก็หมายความว่าร่างกายของเราเมื่อเดือนที่แล้วกับเมื่อเดือนนี้มันคนละร่างนะ มันไอร่างเก่าเมื่อเดินที่แล้วมันก็สลายหายไปแล้วมันก็เกิดร่างใหม่ขึ้นมาเพราะอาหารที่เรากินแต่จริ ง, รงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสร้างร่างกายของเราทีละนิดทีละหน่อยนะมาไม่ได้สร้างทีเดียวพรวดพลาดเป็นร่างกายเต็มตัวมันค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างวันะนิดวันละหน่อยชั่วโมงละนิดละหน่อย ทดแทนส่วนที่เสื่อมไปส่วนที่เสียไปเม็ดเลือดเก่าตายไปเม็ดเลือดใหม่สร้างขึ้นมาหนังเก่าตายไปหนังใหม่ก็สร้างขึ้นมาเชื้อนิดเชื้อนิดผมร่วงไปก็สร้างผมใหม่ขึ้นมาทุกอย่างนะในร่างกายเราเนี่ยมันค่อยๆสร้างเชื้นิดเชือิหน่อยซึ่งนั่นก็หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ย มันเป็นร่างใหม่อยู่จะเรียกว่าทุกขณะเลยก็ว่าได้ร่างกายของเราเมื่อวานนี้กับร่างกายรราวันนี้มันก็คนละร่างเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีบางส่วนตายไปแล้วก็มีบางส่วนที่สร้างขึ้นใหม่เนะื่เพราะสิ่งที่มันเป็นเซลเป็นเม็ดเลือดอย่างเขาว่าเนี่ยในคนเราเนี่ย มันมีเซลล์ในร่างกายตายเนี่ยวันละห้าหมืถึงแสนล้านเซลล์นี่อย่างน้อยนะไอ้ที่ตายไปมันก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาโดยอาหารที่เรากินเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าเรามีร่างเก่าแล้วก็ร่างใหม่นะในแต่ละเดือนเนี่ยจริงๆมันก็ยังเป็นการมมงอมแบยบยดหยากเพราะว่าการสร้างร่างใหม่ทดแทนร่างเก่า หรือว่าการสร้างอวัยวะเนื้อเยื่อใหม่แทนอวัยวะเนื้อเยื่อกเก่าสร้างเม็ดเลือดใหม่แทนเม็ดเลือดเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเรียกว่าทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเพียงแค่บอกว่าเนี่ยร่างของเราเมื่อเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันคนลร่างนี่มันก็ยังหยาบอยู่นะมันต้องพูดว่าเนี่ยแม้กระทั่งร่างของเราเมื่อวานนี้กับวันนี้มันก็คนลร่าง หรือว่าร่างของเราเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับชั่วโมงนี้มันก็คนนร่างร่างของเราเมื่อนาทีที่แลกกับนาทีนี้ก็คนนร่างเพราะว่ามันมีบางส่วนตายไปมีบางส่วนที่สร้างใหม่อยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าผู้ออย่เ น, นื้อคือว่าการร่างของเราเนี่ยนะแต่ละขนาดแต่ละขณาเนี่ยมันมันไม่ใช่ร่างเดิมนะ มันเป็นร่างใหม่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชา้าช้าอันนี้ก็เรียกว่าจึงพูดได้ว่านี่เกิดเพาะว่าทำไมเนี่ยจึงบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะเวลาบอกว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันหมายคือหมายถึงการมองร่างกายนี้เป็นเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วก็คงที่ด้วย แต่ที่จริงร่างเราเนี่ยมันไม่คงที่เลยแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในรูปเป็นแท่งเป็นแท่งดยู่มันก็ค่อยเปลี่ยนเจรนิดจรนิดเหมือนกระแสน้ํำนะเปลี่ยนเหมือนกระแสน้ํากระแสน้าเนี่ยนะที่มันไหลผ่านหน้าเราเนี่ยแต่ละนาทีแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเนี่ยมันเป็นน้ําใหม่น้ําที่ผ่านหน้าเราเนี่ยนาทีที่แล้วกับนาทีนี้มันคนละน้ํากัน วินาทีที่แล้วกับวินาทีนี้มันก็เป็นน้ำที่ต่างกันจึงมีคนบอกว่าเนี่ยคนเราไม่สามารถที่จะเอาเท้าจุ่มน้าเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยไม่สามารถจะ เ, เท้าจุ่มแม่น้ำสายเดิมได้เนี่ยสองครั้ง เราไม่สามารถเจ้าเท้าจุ่มน้ําในแม่น้ําสายเดิมได้สองครั้งเพราะว่าตอนที่เราจุม่มครั้งแรกกับตอนที่เราจุม่มครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นแม่น้ํำคนละสายแล้วเพราะว่ามันมีน้ําใหม่มาแทนที่น้ําเก่าก็เหมันกระเทียนนะเทียนที่กระจุดนะเป็นเปลวเนี่ยเทียนเมื่อ ชั่วโมงที่แล้วกับชั่วโมงนี้ก็เป็นคนละเล่มนาทีที่ล้ ก, กับนาทีนี้ก็เป็นคนละเล่มแต่ว่าเราดูเหมือนว่าเป็นอันเดียวกัน <S <S เป็นลเล่มเดียวกันเพราะว่ามัามนมีความสืบเนื่องความสืบเนื่องนี้เขาเรียกเป็นความสืบเนื่องแบบเป็นกระแสะที่วัดเทียนนี่ไม่ใช่ตัวตนกัเว่าะนี้แหละเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะมันเป็นความตืบสืบเนื่อง ของเก่าแล้วมาเป็นใหม่และวใหม่ก็กลายเป็นเก่าเวลาเราบอกว่าสิ่งทั้งปัวไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเช่นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็หมายความว่าร่างกายนี้ที่มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเป็นกระแสมันเหมือนกับจุดเนี่ยจุดเล็กๆ เ, เนี่ยที่มาต่อๆกันต่อๆกันเนี่ยถ้าเรามองรวมๆก็เห็นเป็นเส้น แต่ที่จริงมันไม่ใช่เส้นนะมันเป็นแค่จุดต่างๆที่มาต่อกันนะเส้นนี่มันเป็นแค่สมมุตินะที่ใช้เรียกจุดที่อยู่ติดๆกันเนี่ยเส้นนี่เป็นสมมุตินะแต่จริงๆเนี่ยมันก็คือจุดหลายๆจุดที่มาเรียงกันมันต่อเนื่องกันเนี่ยจนกระทั่งมองว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ที่จริงแล้วเป็นกระแส ร่างกายเราเนี่ยนะมันมีความสืบเนื่องเป็นกระแสนะแต่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นดุ้นนะอันนี้เพราะว่าเราสายตาเรามองไม่ละเอียดพอแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยนะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาร่างกายเก่าตายไปร่างกายใหม่สร้างขึ้นทีละนิดทีละนิด มันดำรงอยู่แบบเป็นกระแสนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะแต่เข้าของด้วยรวมทั้งรูปธรรมและนามธรรมด้วยนามธรรมเช่นความคิดและอารมณ์เนี่ยทีว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตเนตเพราะมันเป็นกระแสนะมันเกิดดับเกิดดับทียิบจนดูเหมือนว่ามันเป็นก้อนอยู่ใน ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเป็นวันแต่ที่จริงไม่ใช่มันเกิดดาบเกิดดาบทียิแต่เป็นเพราะเราไม่ไม่สังเกตไม่ละเอียดพอเราก็เลยเห็นมันเป็นก้อนอารมณ์นะแล้วเราก็เลยไปทักทึกทักว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะงั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านเนี่ยรูปธรรมนามทรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน มันดำรงอยู่แบบเป็นกระแสที่มีความสืบเนื่องเกิดดับเกิดดับนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ว่ามันแปรเปลี่ยนไปตลอดนั้นถ้าเรามองความจริงนะแบบนี้บ้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนให้ยึดถือได้เลย พอ ม, มันเกิดดับเกิดดับแปลเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมใหเวลาเรากินอาหารเนี่ยลองพิจนารณาดูเนะอาหารที่เรากินเนี่ยหกหมืนกว่ากิโลหรือหกสิบตันตลอดทั้งปีเนี่ยนะมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในร่างนี้แหละแต่มันสร้างร่างใหม่ตลอดเวลาจึงพูดได้ว่าเนี่ยร่างของเราเมื่อวานนี้กับวันนี้ชั่วโมงที่แลกกว่าชั่วโมงนี้นาทีที่แลกกวานาทีนี้ก็ละอัน และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมร่างกายจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแค่กระแสะ